จเจรอนพท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ใช้เวลานี้ เพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลเพราะบุญกุศลนี้เป็นเหมือนปัจจัยสี่ของจิตใจร่างกายมีความจำเป็นต่อปจัจจัยสอย่างไรจิตใจก็มีความจำเป็นต่อบุญกุศลอย่างนั้นร่างกายเราอยู่อย่างปกติสุขเพราะเรามีปจัจจัยสี่คอยดูแลรักษาคือเรามีอาหารรับประทาน มีเสื้อผ้าไว้สวมใส่มีบ้านไว้อยู่หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆและมียารักษาโรคในยานเจ็บไข้ได้ป่วยใจของเราก็ต้องมีปัจจัยสีเช่นเดียวกันปัจจัยสี่ของใจก็คือทานศีล ส, สมาธิและปัญญาทานนี้ก็เป็นเหมือนกับอาหารของใจ ศีลก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าอาภรณ์สมาธิก็เป็นเหมือนที่อยู่อาศัยปัญญาก็เป็นเหมือนยารักษาโรคใจถ้าเราขาดทานศีลสมาธิปัญญาใจของเราก็จะอยู่แบบร่างกายที่ขาดปัดจจัยสี่อย่างที่เราเห็นคนที่ต้องหลับนอนตามข้างถนนต้องไปขอทาน เก็บเศษอาหารเก็บเข้าเศษของที่ทิ้งไว้ตามถังขยะต่างๆเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็นอนรอควางตายหรือนอนร อ, อให้หายจากหายจากโรคภัยส่วนเสื้อผ้าก็มีอยู่ชุดเดียวใส่ชุดนั้นไปตลอดนี่คือลักษณะของ กายที่ขาดปัจจัย4ีใจที่ขาดปัจจัยสี่คือขาดบุตรขาดกุศลก็จะเป็นในลักษณะนั้นจะเป็นขอทานทางด้านจิตวิญญาณจะเป็นผู้ยากไร้ในทางจิตวิญญาณจิตใจจะไม่มีความเจริญก้าวหน้าจะไม่ได้พบกับความสุขจะมีแต่ความทุกขความวุ่นวายใจความเดือดร้อน ความดวดร้อนใจความหวาดกลัวความกังวลมารุมเล้าจิตใจอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้ามีปัจจัยทั้งสี่นี้ครอบปรบูรณ์แล้วใจก็จะสุขใจจะสบายไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเช่ในใจของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านมีศีลมีทางมมีสมาธิ มีปัญญาดูแลรักษาใจทำให้ใจของท่านมีแต่ความสุขมีความเจริญก้าวหน้าเป็นผู้ประเสริฐเลิศโลกเป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือเป็นผู้ที่น่าคบค้าสมาคมเป็นผู้ที่น่าให้ทานให้เป็นผู้ที่ทำน่าทำบุญด้วยนี่ก็คือ ผนดีที่จากการมาสร้างบุญสร้างกุศลคือให้ทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิและเจริญปัญญาการให้ทานนี้ก็ให้ได้หลายชนิดด้วยกันนอกจากเข้าของเงินทองแล้วเราอยัางให้สิ่งอื่นได้ถ้าเราไม่มีเงินทองเราก็ให้อย่างอื่นแทนไ ด, ได้ถ้าเรามีเช่นเรามีความรู้ เรารู้วิชาแล้วเราก็เอาความรู้วิชานี้ไปสอนให้แก่ผู้เรีนเช่นสอนให้กับเด็กนักเรียนเวลาที่เขาต้องการความรู้เพิ่มเติมสอนพิเศษสอนวิชาที่เรารู้ถ้าเรารู้ภาษาอังกฤษเราก็สอนภาษาอังกฤษถ้าเรารู้คณิตศาสตร์เราก็สอนคณิตศาสตร์ ถ้าเรารู้เคมีแล้วก็สอนเคมีสอนโดยที่เราไม่เอาเงินเอาทองเป็นผลตอบแทนก็จะเป็นการให้ทานเหมือนกันเหมือนกับตักบาตเหมือนกับถวายสังฆทานแต่เป็นทานเป็นสิ่งของที่ให้นั้นต่างกันวัตถุทานก็คือสิ่งของต่างๆที่ประกอบด้วยวัตถุ เช่นกับข้าวกับปลาอาหารของข่าวของหวานจีวรกุฏิที่อยู่อาศัยโบสถ์สาราเจดีย์เหล่านี้เรียกว่าเป็นวัตถุทานส่วนวิถีทานคือความรู้ที่เราให้นี้เรียกว่าวิทยาทานและสิ่งที่เราให้ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือธรรมทาน คือการให้ธรรมะถ้าเรามีธรรมะเรารู้ผิดถูกดีชั่วรู้เหตุรู้ผลเราก็สามารถสอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นได้ถ้าผู้อื่นเขาไม่รู้แล้วเขาอยากจะศึกษาเราก็สอนไปเท่าที่เรารู้เท่าที่เราได้ร่ำเรียนมาได้ยินได้ฟังมาเช่นสอนเรื่องของการให้ทาน เรื่องของการรักษาเสียงเรื่องของการนั่งสมาธิเรื่องของการเจริญปัญญาอย่างนี้ก็จะเป็นการให้ธรรมะถ้าเราไม่รู้แต่เรารู้จากหนังสือดีๆแล้วเรามีปัญญาที่จะนำเอาไปพิมพ์เผยแพร่เราก็สามารถนำเอาไปพิมพ์เผยแพร่แจกเป็นธรรมทานได้ ทานทั้งสานี้พระพุทธเจ้าทรงจัดว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะการให้ธรรมะนี้ให้เหตุที่จะดับความทุกข์ในใจได้ให้วัตถุนี้ดับความทุกข์ไม่ได้ให้วิชาความรู้ทางโลกไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้เช่นเวลาเราไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจ ถ้าเราได้ยินได้ฟังทมใจของเราก็จะสงบได้จะหายจากความทุกข์ได้แต่ใจของเราจะไม่หายจากความทุกข์ถ้าเราไปรับประทานอาหารได้อาหารมาแล้วเราก็รับประทานอาหารก็จะเพียงแต่ดับความทุกข์ทางกายที่เกิดจากการหิวเท่านั้นเองแต่จะไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้เศรษฐีมหาเศรษฐี จึงยังต้องมีความทุกข์อยู่ถึงแม้ว่าจะมีเงินทองกองเท่าภูเขาแต่ก็ไม่สามารถเอาเงินทองนี้มาดับความทุกข์ใจได้มีธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองที่จะสามารถดับความทุกข์ทางใจได้ดัง น, นั้นพระพุทธเจ้าส่งห์สมดับว่าการให้อะไรก็สู้การให้ธรรมะไม่ได้ถ้าเรา มีอะไรดีๆมีความสอนดีๆที่เราเห็นว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราเวลาที่เรามีความทุกข์แล้วเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนใจของเราแล้วทําให้ความทุกข์ของเรานั้นหายไปเราก็ควรที่จะเอาไปสอนผู้อื่นนี่คือเรื่องของทานมีอยู่สามชนิดส่วนชนิดที่สี่ นี้เรียกว่าอภัยทานความจริงไม่ได้เป็นการให้อะไรการอภัยทานนี้เราไม่ได้ให้เข้าของกับใคร <administr ations> เราไม่ได้ให้วิชาความรู้กับใครเราไม่ได้ให้ธรรมะกับใครเพียงแต่เราไม่ให้ความโกรธของเราแก่ผู้อื่นเท่านั้นเองไม่ให้ความอาฆาตพยาบาทแก่ผู้อื่นไม่จองเวรจองกรรมแก่ผู้อื่นความจริงจึงไม่เรียกว่าเป็นการให้ แต่เป็นการไม่ให้เสียมากกว่าอภัยทานคือการให้อภัยการไม่จองเวรการไม่อคาาพยาบาท<ม>การไม่โกรธเคืองผู้อื่นเป็นการให้ที่ดีสำหรับจิตใจของตนเองผู้อื่นก็ไม่ได้รับอะไรแต่อย่างน้อยเขาก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากความอคาาพยาบาทจองเวรจองกรรมของเรา ถ้าเราไม่สามารถให้อภัยได้เราก็อาจจะไปทำร้ายเขาหรือไปว่าร้ายเขาไปสร้างความทุกข์สร้างความทรมานใจให้แก่ผู้อื่นถ้าเรามีอภัยทานเราก็จะไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีแก่ผู้อื่นให้แต่การไม่จองเวงให้แต่การไม่ถือโทษโกรธเคืองซึ่งเป็นประโยชน์กับเรามากกว่า พราะเวลาที่เรามีความโกรธเคืองเครีคยดแค้นอาฆาตพยาบาทเรามีไฟนรกเผาใจเราอยู่ทําให้เรานี่กินไม่ได้นอนไม่หลับหน้าตาก็ไม่แจ่มใสหน้าตาก็เป็นยักษ์เป็นมารเป็นที่น่ากเกลียดน่ากลัวของคนที่อยู่ใกล้เราแต่ถ้าเราให้อภัยได้ เราก็จะดับไฟนรกที่เผาใจเราได้ที่ทําให้เราเป็นยักษ์เป็นมารได้ทําให้เรากลับมาเป็นเทพเป็นพระได้คือการให้อภัยนี้มีประโยชน์มากควรที่จะฝึกทํากันอย่าไปอาฆาตพยาบาทอย่าไปล้างแค้นเพราะไม่เป็นการยุติเวรกรรมแต่กลับจะ ทำให้เวงกรรมนี้มีต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดและจะทวีคูณรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเหมือนน้ำพึ่งหยดเดียวที่จะต้องกลายเป็นศึกสงครามกลายเป็นการฆ่าฝันกันข้ามภพข้ามชาติกันแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็มีผู้จองเวรจองกรรมข้ามภพข้ามชาติ ทั้งที่ทพระองค์เองก็ไม่ได้ไปอาฆาตพยาบาทเพียงแต่ไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกใจเท่านั้นเองเขาก็อาฆาตพยาบาทได้แต่ก็เป็นเรื่องที่เราห้ามไม่ได้ถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วทำให้คนอื่นเขาต้องโกรธแค้นโกรธคืองอาฆาตพยาบาทเราก็อย่าไปกังวลขอให้เราถือว่า เป็นปกติอยู่ในโลกนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้มีคนดีกับคนไม่ดีคนไม่ดีย่อมไม่ชอบไม่พอใจต่อการกระทาความดีแต่เราไม่ควรที่จะให้ความไม่ชอบความเกลียดแค้นความโกรธเคืองของผู้ของคนไม่ดีมาขัดขวางการทำความดีของเราเราต้องยืนอยู่บนความดีเสมอเพราะความดีนี้เป็น สิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราจะปกป้องรักษาจิตใจของเราไม่ให้ไปตกต่ำอย่างมากเขาทำได้ก็คือฆ่าร่างกายของเราหรือทำร้ายทรัพสมบัติของเราหรือบุคคลที่เรารักแต่เขาจะไม่สามารถทำให้ใจของเราตกต่ำได้ถ้าเราไปทำร้ายเขา เรากลับจะทำร้ายตัวเราเองมากกว่าเพราะทำให้จิตใจของเราตกต่ำต้องไปใช้เวรใช้กรรมต่อไปหลังจากที่เราตายไปแล้วนี่คือเรื่องของทางที่เราควรที่จะทำกันเสมอไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบุคคลที่เราทำก็สามารถทำได้หลายบุคคลด้วยกัน ไม่จำเป็นจะต้องทำกับพระภิกษุเสมอไปทำกับพ่อแม่ก็ได้พ่อแม่ก็เป็นเหมือนพระของลูกๆทำบุญกับพ่อกับแม่ก็เหมือนกับได้ทาบุญกับพระพรหมพระอาหารหัน์เพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนทรงเปรียบเทียบ ว, ว่าพ่อแม่นี้เป็นเหมือนพระพรหมของ ล, ลูกูการได้ทาบุญกับพ่อกับแม่ จึงเป็นเหมือนกับการได้ทำบุญกับพระพรหมได้ทำบุญกับพระอาหารหันต์คือได้บุญมากนั่นเองเพราะท่านนี้เป็นผู้ที่มีพระคุณกับเราอย่างมากไม่มีใครจะมีพระคุณเท่าพ่อกับแม่เรายกเว้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะมีพระคุณมากกว่าเพราะพ่อแม่นั้นมีพระคุณคือให้ชีวิตกับเรา แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะให้การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแต่จิตใจของเราซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กว่าชีวิตชีวิตนี้เป็นสิ่งที่มีขอบเขตคือมีอายุไขอยู่ไปได้ไม่เกิน1้อยปีก็ต้องตายไปแต่ใจของเรานี้ไม่มีอายุไขไม่มีวันตาย ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสอนให้เราดับความทุกข์ต่างๆภายในใจใจของเราก็จะต้องทุกข์ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราได้พบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วได้นำเอาคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสอนใจใจของเราก็จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ พระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงเหนือพระคุณของผู้อื่นแม้แต่พ่อแม่ของเราพระคุณของพ่อแม่ของเราก็ยังเปรียบเท่ากับพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้แต่ลองจากพระพุทธพระธรรมพ่อสงฆ์แล้วก็ไม่มีใครมีบุญคุณกับเรามากเท่ากับพ่อแม่ของเราเราจึงควรมีความกตัญญู มีความสำนึกในบุญคุณของพ่อของแม่เสมอและพร้อมที่จะตอบแทนบุญคุณให้แก่พ่อกับแม่ทุกเวลาไม่ว่าจะจะอยู่ในสภาพใดก็ตามถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องดูแลพ่อแม่เราก็ต้องสละสิ่งอื่นๆไปถ้าจำเป็นต้องสละครอบครัวสามีภรรยาเพื่อมาดูพ่อแม่ก็ต้องทำ พ่อแม่นี้มีบุญคุณมากกว่าสามีภรรยามีกุณคุณมากกว่าลูกหลานเขาอยู่ถ้าเขาถ้าเราไม่ได้ดูแลเขาบ้างเขาก็พอจะดูแลตัวเขาเองได้แต่พ่อแม่เวลาแก่เท่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ไม่มีใครดูแลได้นอกจากเราเท่านั้นเราจึงควรทำบุญกับพ่อแม่เราให้มากๆ และเราจะได้บุญมากๆนอกจากพ่อแม่แล้วเราก็ยังสามารถทําบุญกับใครก็ได้กับพี่กับน้องกับเพื่อนกับญาติสนิทมิตรสหายกับผู้คนที่เราไม่รู้จักสามารถทําได้หมดแม้แต่เดรัจฉานเราก็ทําบุญได้ได้บุญเหมือนกันให้อาหารกับสุนัขเราก็ได้บุญ เพราะคำว่าบุญนี้แปลว่าความสุขใจเป็นอาหารของใจนั่นเองเวลาเราได้ให้ได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วใจของเราเหมือนได้รับประทานอาหารจะมีความอิ่มใจสุขใจพอใจบุญเหล่านี้ได้เท่ากันไม่ว่าจะให้พระพุทธเจ้าหรือให้คนธรรมดาถ้าเราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจคือด้วยความเมตตากรุณา คือมีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือเขาให้เขาได้พ้นจากความเดือดร้อนถ้าให้แบบนี้แล้วให้กับพระพุทธเจ้าหรือให้กับคนธรรมดาเราก็จะได้ความสุขใจเหมือนกันแต่ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระพุทธเจ้ากับคนธรรมดานี้ไม่เหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้านี้มีความรู้ความสามารถ มากกว่าคนธรรมดาเราช่วยเหลือคนธรรมดาบางทีอย่างมากเขาตอบแทนเราได้ก็คือการขอบอกขอบใจเราเท่านั้นเองแต่ถ้าเราได้ช่วยได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าเราจะได้พระธรรมคำสอนอันรเสริฐเวลาเราไปทำบุญกับพระพุทธเจ้าหรือทำบุญกับพระอรหันตสาวกเราจะได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอน จะทำให้เราฉลาดจะทำให้เรารู้จักวิธีดูแลรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์กับเรื่องไรๆทั้งสิ้นได้นี่คือความแตกต่างกันสำหรับบุคคลที่เราทำบุญด้วยคือผลลัพธ์ผลตอบแทนที่เราจะได้รับจากบุคคลนั้นต่างกันแต่บุญกุศลคือความสุขใจอิ่มใจที่เราได้ภายในใจของเรานี้ ได้เท่ากันไม่ว่าจะทำกับใครก็ตามแต่ถ้าเราต้องการประโยชน์จากผู้อื่นจากผู้ที่เราทำบุญด้วยเราก็ต้องเลือกเช่นวันนี้เราเลือกมาทำบุญกับพระที่วัดเพราะเราอยากจะได้บุญอย่างอื่นด้วย <c oughs> นอกจากบุญที่เกิดจากการให้ทานแล้วเรายังได้บุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมเพราะการฟังเทศฟังธรรมนี้ มีอานิสงส์อยู่ถึง5ประการด้วยกันคือ 1. เราจะได้ยินได้ฟังในเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. เรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วถ้าเราได้ฟังอีกเราก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น 3. เราจะได้ขจัดความสงสัยในบางเรื่องได้เรื่องที่เราไม่เข้าใจหรือสงสัย เช่นเรื่องของบุญว่าการทำบุญกับคนหลายหลายแบบนี้ได้บุญต่างกันหรือไม่อย่างไรวันนี้เราก็ทราบแล้วว่าการทำบุญกับบุคคลกับผู้อื่นนี้เราได้บุญสองเท่าด้วยกันสองกระทงกระทงแรกคือความอิ่มใจสดใจนี่เราได้เท่ากันหมดไม่ว่าเราจะทำบุญกับใคร ถ้าเราทำด้วยพระจิตใจที่บริสุทธิ์คือไม่ต้องการผลตอบแทนจากใครๆทั้งนั้นเราก็จะได้บุญเต็มที่แต่ถ้าเราทำแล้วเราหวังผลตอบแทนเราอาจจะไม่ได้บุญเต็มที่ก็ได้ถ้าเราไม่ได้รับผลตอบแทนที่เราต้องการเช่นเราทำบุญกับคนนี้แล้วเเราอยากให้เขาตอบแทนเราด้วยการขอบอกขอบใจหรือด้วยการ ท ำ, ทำตามที่เราอยากจะให้เขาทำพอเขาไม่ทำตามหรือพอเขาไม่ขอบอกขอบใจเราก็จะเสียใจแทนที่จะได้บุญเรากับได้ความทุกใจกลับมาเพราะเราให้ด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจเราให้เพราะเราต้องการผลตอบแทนอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการทำบุญเรียกว่าเป็นการทามาค้าขายเป็นการแลกเปลี่ยน เหมือนเวลาที่เราไปซื้อของที่ร้านเราให้เงินเขาเขาก็ให้ของเรามาอย่างนี้ไม่เป็นบุญไม่มีความอิ่มเอิบใจไม่มีความสุขใจแต่อย่างใดการทําบุญ ท, ที่จะทำให้เกิดบุญได้อย่างเต็มที่ต้องทาด้วยการด้วยความบริสุทธิ์ใจถึงจะได้บุญอย่างเต็มที่ส่วนผลตอบแทนจากผู้ที่รับนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขา ว่าเขามีอะไรจะให้เราเขาพอใจจะให้เราหรือไม่แต่เราไม่ควรที่จะไปหวังต้องไปต้องการแต่การทำบุญกับคนดีทำบุญกับพระนี้เราไม่ต้องหวังเราก็ได้เพราะคนดีนั้นเขามักจะมีอะไรให้เรากลับมาเสมอเพราะคนดีนี้ชอบให้อยู่แล้วยิ่งคนที่มาให้ของเขานี้ยิ่งทำให้เขา อยากจะให้สิ่งตอบแทนกับเราดังนั้นเราทำบุญกับคนดีเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ได้รับผลตอบแทนกลับมาถ้าเราทำบุญกับพพระพุทธเจ้าได้เราอาจจะได้สิ่งที่เราไม่คาดฝันก็ได้เราอาจจะได้ดวงตาเห็นธรรมเราอาจจะได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพพระพุทธเจ้าก็ได้ เหมือนกับในสมัยพระพุทธการที่มีคนสามารถบรรลุปเป็นพระอาริยบุคคลท่านต่างๆได้หลังจากได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้นเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีอิทธิพลมากเพราะเป็นคำสอนที่เป็นความจริงล้วนๆแล้วถ้าผู้ฟังนี้ตั้งใจฟังแล้วจะ จะได้ผนอย่างแน่นอนดังนั้นท่านจึงสอนว่าถ้าเลือกได้ก็ให้เลือกทำกับพระที่มีคุณธรรมสูงสูงเพราะจะได้อนิสง์มากกว่าพระหรือบุคคลที่มีคุณธรรมต่ำกว่าลงมาแต่ถ้าเลือกไม่ได้มีความจำเป็นมีคนเขาเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยเหลือเขาถ้าเขาขาดแคลนขาดอาหาร เจ็บ่ายได้ป่วยอย่างนี้เราก็ต้องช่วยเขาถึงแม้เขาจะเป็นคนไม่ดีเช่นเป็นโจรผู้ร้ายถ้าเราไปยิงเขาเวลาที่เขามาขโมยข้าวของในบ้านของเราทำให้เขาได้รับารอาการบาดเจ็บเราก็ยังต้องส่งเขาไปโรงพยาบาลไปรักษาตัวก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับตัวไปดำเนินการ การให้โดยหลักของมนุษยธรรมนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะให้เสมอไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นคนดีหรือคนไม่ดีก็ต้องควรจะช่วยเหลือเขาเพียงแต่ว่าเราต้องระมัดระวังเท่านั้นเวลาที่เราช่วยเหลือคนไม่ดีเวลาที่เขาหายจากเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วอย่าให้เขามาทำร้ายเราเช่นเราอย่าเอาเขามาอยู่ในบ้านเรา ถ้าเราไม่มั่นใจว่าเขาจะมาทําร้ายเรารู้เปล่าเราก็พาเขาไปรักษาที่อื่นพาไปรักษาที่โรงพยาบาลหรือไปหาที่อยู่อาศัยที่อื่นให้เขาอยู่เหมือนกับสัตว์นี่แหละสัตว์ ร, ร้ายเราจะไม่ปล่อยให้เขาเพ่นพ่านอยู่ในบ้านของเราเราต้องจับขังไว้ในกรงเขาเจ็บป่วยเราก็รักษาเข้าในกรงได้ แต่อย่าปล่อยอย่ารักษานอกกรงเพราะเวลาที่เขาหายแล้วเขาก็อาจจะมากัดเราได้แต่การช่วยเหลือคนนี้หรือสัตว์นี้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเป็นมนุษยธรรมที่เราควรที่จะช่วยเหลือกันเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันทำให้จิตใจเราสูงขึ้นดีขึ้นมีความเอื้อเอิบใจมากขึ้นนี่คือเรื่องของทา ที่เราควรจะทํากันเพราะเป็นอาหารจะทําให้ใจของเรามีความอิ่มเสมอส่วนบุญอย่างอื่นคือศีลเราก็ต้องรักษาเพราะศีลนี้จะทําให้เราเป็นคนที่น่ารักนั่นเองเป็นคนที่สวยงามทางด้านจิตใจคนที่มีศีลนี้เป็นคนที่ไม่มีใครหลังเกียดต่างกับคนที่ไม่มีศีล จะมีคนรังเกียจจะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยต้องรักษาศีลแล้วเราจะเป็นคนที่มีเสื้อผ้าสวยงามใสเสื้อผ้าทางด้านจิตใจส่วนสมาธิก็คือที่หลบภัยของใจนั่นเองคือบ้านเวลาฝนตกแดดออกร้อนภายนอกเราก็เข้ามาอยู่ในบ้านภายในบ้านก็จะทำให้เราเย็นสบาย เวลาจิตใจเรามีความรุ่มร้อนกับเรื่องราวต่างๆเช่นมีความโกรธมีความอาฆาตพยาบาทรุ่มร้อนใจเราก็มาทำสมาธินั่งทำสมาธิให้รืมเรื่องที่ทำให้เราโกรธบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่เรากำลังโกรธอยู่พอไม่นานเราก็จะลืมเรื่องที่เราโกรธได้แล้วใจของเราก็จะสงบเย็นสบาย การทำสมาธิจึงเป็นเหมือนการหลบเข้าบ้านเวลามีเหตุการณ์วุ่นวายภายนอกเราอยาไปรับรู้เรานั่งสมาธิหลับตาแล้วอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราว้าวุ่นขุ่นบัวเดี๋ยวใจของเราก็สงบสบายหายวุ่นวายใจได้สมาธิจึงเป็นเหมือนบ้านที่เราควรที่จะเข้าอยู่เรื่อยๆเพื่อความปลอดภัยของใจ ส่วนปัญญาก็เป็นเหมือนอยารักษาโรคใจถ้าเราไม่สามารถเข้าไปในสมาธิได้เราก็ต้องใช้ปัญญามารักษาใจเช่นเวลาที่เราโกรธอาฆาตปยาบาปเราก็เอาคาสอนของ พ, พ่ติเจ้าที่ทรงสอนให้เราให้อภัยนี่มาใช้ให้เราคิดว่าเป็นการใช้หนี้เก่าก็แล้วกันเราคงไปทำอะไรเข้ามาก่อน จึงทำให้เขาโกรธเขาเกลียดเขามาทำร้ายเราแต่เราอย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขายอมยอมให้เขาทำร้ายเราเพื่อที่เราจะได้หมดเวรหมดกรรมแล้วเราจะได้ไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจถ้าเรายอมรับผลกรรมของเราไม่คิดอาฆาตพยาบาทตอบแทนใจของเราก็จะสงบ ไม่ทุกข์ใจไม่วุ่นวายใจไม่เครียดไม่แค้นนี่คือปัญญาหรื อ, อยารักษาโรคใจสิ่งทั้งหลายที่ได้พูดมาในวันนี้คือทานศีลสมาธิปัญญาเป็นเหมือนปัจจัยสิของจิตใจที่พวกเราควรที่จะสร้างควรที่จะทำอยู่เรื่อยๆเพื่อให้ใจของเราได้อยู่อย่างปกติสุขนั่นเอง จึงขอฝากเรื่องของการมาวันเพื่อมาสร้างปัจจัยสี่ของใจคือทานศีลสมาธิและปัญญาให้ท่านได้นำเอ า, าไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณกรีรัตนนาใจ